เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตรสังอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ารมทุกทุท่านวันนี้เป็นวันสำคัาที่22มีนาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรมเป็นวันที่พวกเราจะมา ทำความเห็นให้ถูกต้องมากําจัดความลังในสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจมาทําใจให้สะอาดทาใจให้สมงบทําใจให้มีความสุขเพราะนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราฟังเราจะได้ยินได้ฟัง เรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทาให้เรากำจัดความลัลึกสงสัยตา่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้จะทาให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง ทำให้จิตใจผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับจากการมาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันเช่นวันนี้เราจะมาฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนลาเเรื่องสคนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องหลักนี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟัง ถ้าเราไม่ได้เข้ามาวัดเพราะเรื่องเหล่านี้คนที่ไม่ได้มาวัดไม่ได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้และจะไม่เชื่อเพราะเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเรื่องเกี่ยวจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นร่างกายอย่างหนึ่งเราเรียกว่ากายทิพย์ส่วนร่างกายที่เราเห็นกันอยู่นี้ เราเรียกว่ากายหยาบเรานี้มีสองร่างกายเรามีกายยาบกับกายทิพย์หรือกายละเอียดกายละเอียดหรือกายทิพย์นี้เรามองไม่เห็นกันเราเลยคิดว่าเราไม่มีกายละเอียดไม่มีกายทิพย์กันคิดว่ามีเพียงแต่กายหยาบคนที่เห็นกายอยาเพียงอย่างเดียวจะไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวลาที่ร่างกายหยาบนี้ตายไปแล้วมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือที่ไปของร่างกายหยาบไปสู่ดินน้ำลมไฟแต่มีร่างกายทิพนี่แหละที่จะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพาน อันนี้พวกเราไม่รู้ไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราพวกเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายหยาพอร่างกายอย่างนี้ตายไปแล้วบาป ท, ที่ทำไว้ก็ไม่สามารถที่จะไปลงโทษมันได้บุญที่ทำแล้วก็ไม่สามารถ ให้รางวัลกับร่างกายหยาที่ตายไปหน้คนสมัยนี้จึงมักไม่ค่อยกลัวบุญไม่ค่อยกลัวบาป ก, กันไม่ทำบุญกันเพราะคิดว่าทาแล้วศูนคือทำแล้วไม่ได้รับผลนั่นเองอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความไม่เห็นตามหลักความจริงตามหลักความจริงแล้วเรามีสองส่วนมีร่างกายหยาบ แล้วก็มีร่างกายละเอียดร่างกายละเอียดนี่เราเรียกว่ากายทิพย์กายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่ทำบุญทำบาปแล้วก็เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูแล้วนำมาเผยแผสั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อพวกเราจะได้ไม่หลงผิด จะไปคิดว่าเอาทำบาปแล้วไม่มีผลตามมาอย่างมากก็ติดคุกถ้าถูกจับนะแต่ตายไปแล้วไม่มีอบายไม่มีนรกให้ไปต้องรับผลบาปแล้วก็ทำบุญไปก็ขาดทุนเสียเงินเปล่าเปล่เสียเวลาปล่าปลาตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะสวรรค์นี้หายังไงในโลกนี้ก็หาไม่เจอจะส่งยานอวากาศขึ้นไป คนหาในอวากาศก็หาไม่เจอจะส่งเรือดำน้ำลงไปในทะเลลึกขนาดไหนก็จะไม่สามารถพบกับนรกได้เพราะนารกกั้สวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ในโลกของกายยาวแต่เป็นอยู่ในโลกของกายทิพย์กายทิพย์ของพวกเรานี่แหละคือตัวเราคือตัวที่ทำบุญทาบา าากายทิพย์คือผู้คิดผู้ที่คิดนี่แหละเป็นผู้ทําบาปคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทําบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปเสพสุรายาเมาพอทำแล้วกายทิพย์นี้ก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในอบายขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกายอยู่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคนเราแม้จะมีร่างกายอยู่แต่กายทิพนี้อาจจะเป็นเปลืไปแล้วก็ได้เป็นเดรัจฉานไปแล้วก็ได้เป็นอสูรกายไปแล้วก็ได้เป็นสัตว์นรกไปแล้วก็ได้เป็นได้ด้วยการกระทำบาปเช่นถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าทำบาปแล้วมีผลตามมา ทำเพื่อที่จะรักษาชีวิตเช่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานี่เขากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันเพื่อประทังชีพเขาไม่รู้ว่าแม้กระทั่งการฆ่าสัตว์เพื่อประทังชีพนี้ก็เป็นบาปจะมีผลให้เขาจะต้องเสื่อมลงไปถ้ามนุษย์ไปทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว ถึงแม้ว่ากายยากจะเป็นมนุษย์อยู่แต่กายทิพนี้ได้เลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานแล้วแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภทั้งๆที่ไม่ต้องทำบาปก็อยู่ได้แต่อยากได้มากๆอยากรวยมากๆอยากมีมากๆ ก, ก็เลยทำบาปทำบาปด้วยความโลภนี้กายทิพก็กลายเป็นเปรตไปแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นมนุษย์นี้ต้องไม่ทำบาป ด้วยความโลภไม่ทําบาปด้วยความหลนเพราะว่ามนุษย์นี้มีพระพุทธเจ้ามาสอนนาสัง่งบอกว่าอย่าไปทําบาปถ้าอยากจะรักษากายทิพย์ของเราให้เป็นมนุษย์คงต่อไว้อย่าทําบาปถ้าไม่ทําบาปแล้วเวลากายอยากนี้ตายไปกายทิพย์ยังเป็นมนุษย์อยู่พอกายทิพย์ยังเป็นมนุษย์อยู่กายทิพย์ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ต่อไป แต่ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นหิวก็ไปลักขโมยหรือไปยิงนกตกปลามาทําเป็นอาหารเพื่อประทังชีพนี่คือใจได้เลื่อนลงสู่ความเป็นเดรัจฉานแล้วกายทิพนี้ได้เป็นเดรัจฉานแล้วพอกายอยากคือร่างกายนี้ตายไปร่างกายอันใหม่ก็จะกลายเป็นร่างกายของเดรัจฉานไป เพราะกายทิพย์นี้ได้เป็นเดลฉานแล้วกายทิพย์เป็นอะไรกายทิพย์ก็จะได้ร่างกายแบบนั้นถ้ากายทิพย์เป็นเดลฉานก็ต้องไปได้ร่างกายของเดลฉานถ้าไม่อยากได้ร่างกายของเดราฉานเวลากลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปทาบาปเวลาหิวก็ปลูกผักปลูกทั่วกินผักกินอะไรไปปลูกข้าวหาข้าวกิน หรือไปทำงานหาเงินแล้วก็ไปซื้ออาหารมาอย่าไปค่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปมีอาชีพข่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะจะทำให้กายทิพย์นี้กลายเป็นเละช้านไปแล้วถ้าอยากร่ำอยากรวยก็อย่าร่ำรวยด้วยวิธีการทำบาปอย่าไปทำอาชีพค้าขายค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้เราร่ารวย หรือไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เราได้เงินมามากๆโกหกบ้างโกงเข้าบ้างขายของก็เอาของไมด่ดีมาขายแล้วก็บอกว่าเป็นของดีอย่างนี้ก็เป็นการโกงเป็นการโกหกเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้กายทิพย์ก็จะเป็นเปร เวลาตายไปจะไม่ได้มาได้น่างกายของมนุษย์จะต้องไปได้ร่างของเปรตก่อนเปรตนี้เป็นร่างกายทิ่ไม่มีกายอยางอันนี้แล้วถ้าไปทำบาปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปฆ่าเขาก่อนถ้าทำอย่างนี้ถึงแม้จะคิดว่าเป็นการป้องกันตัวก็เป็นการ ทำแบบเปล่าแบบอสูรกายกายทิพนี้จะไปเป็นอสูรกายถ้าไปทําบาลด้วยการด้วยความกลัวแล้วถ้าไปทําบาลด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทใครทำอะไรให้เราไม่พอใจทําให้เราเสียใจทําให้เราเศร้าใจทุกข์ใจก็ไปฆ่าเขาเลยอย่างนี้ก็จะ ร่างทิพย์กายทิพย์นี้ก็จะกลายเป็นสัตว์นรกไปนี่คือเรื่องของกายทิพย์ที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนแต่กลับมองไม่เห็นกันพอเรามองไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีกายทิพย์เราคิดว่าเรามีกายอยากเพียงอย่างเดียวพวกที่คิดว่าเรามีกายอย่ากเพียงอย่างเดียวเขาจึงไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องนรกเขากล้าทําบาป เพราะเขาคิดว่าตายไปแล้วก็ร่างกายก็กลับคืนไปสู่ดินน้ำนมฝ่ายไปเท่านั้นเองไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ทำบุญให้เสียเวลาไปทำไมเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆทำไมนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราสมัยนี้จะคิดกันพาะมองไม่เห็นกายทิพย์ของตนเองพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา มาสั่งสอนมาบอกพวกเราให้รู้เรื่องกายทิปของพวกเราพวกเราก็จะไม่กลัวบาป ก, กันจะไม่ทำบุญกันเพราะว่าพวกเราในใจนี้มีความโลภอยากได้เงินมากมากจึงไม่อยากจะทำบุญกันเพราะทำบุญแล้วต้องเสียเงินแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรหรือเปล่า เห็นแต่เสียเงินอย่างเดียวแต่ไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นกับกายทิพย์ว่าทำแล้วได้กลายเป็นเทวดาขึ้นมาถ้าอยู่ดีๆเป็นมนุษย์ไม่ทำบาปแล้วมาทำบุญด้วยกายทิพย์นี้ก็จะกลายเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือเรื่องของกายทิพย์ที่เกิดที่เป็นอะไรต่างๆตามการกระทำท่านเรียกว่ากรรม คำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทากรรมเป็นเครื่องจาแนกแยกให้สัตว์เป็นอะไรต่างๆกันไปเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นสัตว์นรกนี้อยู่ที่การกระทาถ้าทาบุญก็จะได้เป็นเทพชั้นต่างๆถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะได้เป็นพรหมชั้นต่างๆถ้า จเจริญวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอารหันต์ได้ไปพระนิพพานกันพระนิพพานก็คือที่บ้านที่แท้จริงของกายชิพของพวกเราตอนนี้กายชิพของพวกเรากําลังหาบ้านอยู่แต่ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนกัน เลยไปหาผิดบ้านกันไปเจอบ้านของเดลอาฉานบ้างไปเจอบ้านของเป๋บ้างไปเจอบ้านของเทวดาบ้างไปเจอบ้านของพรหมบ้างบ้านเหล่านี้เป็นบ้านชั่วคราวไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับงมเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็จะขึ้นลงขึ้นบ้างลงบ้างไปอย่างนี้ ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดกายทิพย์นี้แหละเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามอํานาจของบาปบุญที่ทําไว้และอํานาจของกิเลสตัณหาผู้ที่เป็นผู้ผลักดันให้กายทิพย์นี้ไปเกิดในภพต่างๆสําหรับพระอริยเจ้านี้ท่านเห็นมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นว่า การที่เรามาเกิดนี้เกิดมาเพราะอำนาจของตันหาความอยากต่างๆอำนาจของความโลภท่านจึงต่อสู้กับความโลภต่อสู้กับความอยากหยุดความโลภหยุดความอยากพอท่านหยุดได้ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะความโลภความอยากนี้เป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์ถ้าเราเติมน้ามันรถยนต์น้ำมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราหยุดเติมน้ำมันเมื่อไหร่พอน้ำมันเก่าที่มีในรถหมดไปรถมันก็วิ่งไปไหนไม่นะไปไหนมาไหนไม่ได้กายทิพย์ของเวรานี้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆนี้ก็เพราะอานาจของน้ำมันนี้เองคือความโลกความอยากต่างๆผสมกับบุญกับบาปถ้าผสมกับบุญก็จะไปเกิดในสุคติ ไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นพรมถ้าผสมกับบาป ก, ก็จะไปเกิดกับก็จะไปเกิดในอบายไปเป็นเดรฉานไปเป็นเปรยไปเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าไปผสมกับวิปัสสนาไปผสมกับอริยสัจสี่ผสมกับไตรลักก็จะทําให้ความอยากต่างๆนี้ จางหายไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีน้ำมันอยู่ในรถพอไม่มีน้ำมันแล้วรถก็จอดไม่ไปไหนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ก็เป็นเหมือนรถที่จอดไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยสบายกว่าขับรถนี่ต้องเหนื่อยกับการขับต้องคอยหลบรถคันนั้นหลบรถคันนี้ ต้องคอยแวะเติมน้ำมันแล้วก็ต้องคอยหลบตำรวจบางทีขับเร็วไปบ้างขับผิดกฎจราจรบ้างสู้จอดรถอยู่เฉยดีกว่าถ้าจอดรถเฉยแล้วคนขับก็นอนได้เลยไม่ต้องทำอะไรสบายนี่คือใจที่ไม่มีความอยากถ้าใจไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมารับผลบุญผลบาป ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องหผงร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องเสียสิ่งที่รักไปหรือต้องเสียบุคคลที่รักไปสาเหตุที่ต้องเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักก็เพราะมีการเกิดนั่นเองเมือมีการเกิดก็มีการหาคนที่รักหาสิ่งที่รักโดยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้นั้น สักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะความลืดบอดเพราะความหลงทำให้มองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันต้องหมดมันต้องเสื่อมมันต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปแต่เราไม่ยอมคิดกัน เวลาเห็นอะไรน่อยากได้ทันทีไม่เคยคิดว่ากำลังเอาความทุกมาใส่ใจกลับไปคิดว่าเอาความสุขมาใส่ใจเห็นอะไรก็อยากได้แต่พอเสียสิ่งที่ได้มาก็ร้องโผมร้องห้าทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้แต่พอมีอะไรแล้วพอเสียอะไรไปกลับอยู่ไม่ได้แล้วจะตายให้ได้เลย เมื่อก่อนนี้ไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็อยู่ได้พอได้สามีได้ภรรยามาก็หลงดีใจแต่พอเสียภรรยาเสียสามีไปก็ร้องโหยร้องไห้บางทีถึงกับอยากจะข่าตัวตายนี่คือความโง่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนคอยเตือน เราจึงต้องคอยมาวัดอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี่มันกำลังเดินไปในทิศทางไหนกำลังไปนรกหรือกำลังไปสวรรค์กำลังไปเป็นเปรตหรือกำลังไปเป็นเทวดากำลังไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดหรือกำลังไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับมีแผนที่ที่เราจะคอยเปิดดูได้ว่าตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนเราอยากจะไปเชียงใหม่แต่รถมันวิ่งไปเชียงใหม่หรือเปล่าเราต้องเปิดแผนที่ดูเราถึงจะรู้เอ น, นี่มันไปนครปฐมไปรไาชบุรีนี่มันจะไปถึงเชียงใหม่ได้ยังไงจะไปเชียงใหม่มันก็ต้องไปนู่ น, นไปไปทาง เหนือนูน่นไปลำปางไปนครสวรรค์มันถึงจะไปเชียงใหม่ได้ถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะไม่รู้ว่าเรากำลังไปทิศทางใดการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการม า, มารับแผนที่เพื่อที่เราจะได้ดูว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปไหนตอนนี้เรากำลังทำบาปหรือเปล่า ทำบาปด้วยความไม่รู้หรือเปล่าความบาปด้วยความไม่เชื่อบาปหรือเปล่าถ้าทำแล้วเรากำลังเดินไปสู่การเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเรากำลังเดินไปสู่การเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเรากำลังไปเป็นอศุลกายถ้าเราทาบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรากำลังไปสู่นรก แต่ถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราฝึกทําใจให้สงบไหว้พระสวดมนตนั่งสมาธิเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นโภแล้วถ้าเราต่อสู้กับความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆไม่ทําตามความอยากต่างๆเรากําลังไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพาน นี่คือแผนที่ที่พุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราขอให้พวกเราคอยดูวันแต่ละวันว่าเรากําลังทาอะไรอยู่อย่างวันนี้เรามาทำบุญกันเรากําลังเดินไปสวรรค์กันเรามารักษาศีลกันแสดงว่าเราปิดประตูออบายเราจะไม่ไปออบายเราจะไปทางทิศเหนือเราจะไม่ไปทางทิศใต้ถ้าเรามาฟังธรรม แล้วเรามารักษาศีลแปกันเราก็กําลังจะตัดพพตัดชาติกันตัดความอยากกันเพราะคนที่ถือศีลแปนี้มาตัดความอยากหาความสุขทางร่างกายหยุดหาคืนนี้ไม่นอนกับสามีภรรยาหนึ่งคืนไม่กินอาหารขําไม่กินอาหารเย็นไม่ดูละครไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆวันนี้จะไม่หาความสุขด้วยการทําตามความอยากจะหาความสุขด้วยการทําใจให้สงบนี่คือทางเดินไปสู่พระนิพพานกันพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าท่านเดินไปทางนี้กันท่านถือศีลแปลท่านออกบวช ท่านปฏิบัติทำทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ไม่ให้หลงไปกับการกระทำตามความอยากตา่ตางๆสอนใจให้รู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการเดินไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดการไม่ทำตามความอยากเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือการฟังเทศฝังธรรมประโยชน์ที่เราจะได้รับ เราจะได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องกายทิพย์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของกายทิพย์เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์แล้วก็เรื่องของพระนิพพานเรื่องของพระอริยเจา้าเราจะได้ยินเรื่องราวนี้จากการมาฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเราก็จะจำได้พอเราจาได้เราก็จะ ไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันก็คือเราไม่ปรารถนาจะไปอบายกันเราก็จะไม่ทำบาปกันเราอยากจะไปสวรรค์เราก็จะทำบุญกันเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะหยุดความอยากจะไม่ทำตามความอยากต่างๆนี่พือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม เมื่อฟังแล้วขอให้นาเอาไปปฏิบัติถ้าฟังเฉยๆไม่ไปปฏิบัติผลก็ยังไม่เกิดเหมือนกับมารับอาหารไปแล้วแล้วไม่เอาไปรับประทานได้อาหารไปแล้วไปวางไว้เฉยๆทิ้งไว้ไม่กี่วันเหี๋ยวมาอาหารก็บูดกินไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารอันโอชารสเนี่ยถ้าเรารับไปแล้วเราต้องรีบรับประทาน รับประทานแล้วเราจะได้อิ่มจะได้มีความสุขเอาธรรมะคาสอนของพ่อตาเจ้าไปปฏิบัตินี่คือการรับประทานการรับประทานธรรมะก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการต่อสู้กับความอยากต่างๆนี่คือวิธีที่จะทําให้ เราได้พบกับความสุขได้พบกับความอิ่มของธรรมและเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุด ข, ของจิตใจของกายที่ที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติ